คนมีธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วปกครองก็ง่ายทําอะไรก็ง่ายคิดอะไรก็ไม่เห็นแก่ตัวเพราะไม่รู้จะเห็นแก่อะไรพออยู่พอกินพอใช้พอเป็นไปแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงท่านพูดนะั่นนะต่างคนต่างรู้จักหาต่างคนต่างรู้จักเก็บต่างคนต่างรู้จักใช้ถ้ามีหลักธรรมะอยู่ในใจแล้วนั่นแหละ ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมประเทศชาติต่อโลกแต่บางคนก็แต่บางกลุ่มบางคณะก็เห็นแก่ตัวอย่างเนี้ยอันนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งถ้าว่าชุมชนใดขาดศีลธรรมจริยธรรมแล้วความสงบร้มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นได้ยาก มีแต่ความหายยันตจะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะว่าไปท่านพูดเป็นกลางๆงที่สุดเลยนะถ้าเราศึกษาดูนะเราท่านพูดเป็นกลางท่านพูดเป็นธรรมจริงๆอย่างที่ท่านพูดถึงสารานิยธรรมสารานิยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงเรียกสารา น, นิยธรรม มีหมีหข้อเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบ ด, ด้วยเมตตาต่อเพื่อนต่อคณะต่อประเทศชาติต่อเพื่อนร่วมชาติต่อหน้าและรับหลังช่วยขวนขวายในกิจธุระเพื่อนกันเช่นดูแลเวลาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นด้วยจิตเมตตา อันนี้ครคือถ้าเห็นคนอื่นยากลําบากเข้าไปตั้งกายกรรมคือเข้าไปแสดงความช่วยเหลือว่างั้นนในเพื่อนถ้าเป็นพระี่ผูุกับเพื่อนภิ้ศึกษาเมนเนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งต่อหน้าก็ทําก็ดีทั้งรับหลังก็จะหาอย่างไงจะไปช่วยเขาอีกไม่ใช่ต่อหน้าประจอประแจกัรับหลังแล้วก็จะแทงหลังเขาอีกนะ มันก็ไม่ถูกให้การมันออกมาจากจิตใจจริงๆเมือนั้นเถะเขาไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนในเพื่อนบ้านในเพื่อนร่วมงานในเพื่อนประเทศชาติโดยกายกรรมด้วยจิตเมตตาเข้าไปตั้งวจีกรรมต่อเพื่อนต่อคณะวัจจีกรรมก็คืออะไรคือการพูดเข้าไปพูด ในสิ่งที่ถูกต้องในเมื่อมันไม่เข้าใจกันในเมื่อชุมชนและสังคมนั้นไม่เข้าใจกันพวกเราควรจะเข้าไปพูดไปเจรจาไปแนะนำให้เขาเข้าใจกันด้วยจิตเมตตาแล้วก็เข้าไปตั้งมโนกรรมคือคิดในใจไว้อยู่เสมอว่าเราจะช่วยชุมชนและสังคมได้อย่างไร ก็จิตใจของเราเนะี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจว่าจะช่วยชุมชนและสังคมได้อย่างไรตัวของเราเนะี่ยอยู่ในสถานะนี้แหละเราจะช่วยชุมชนสังคมได้อย่างไรอันนี้ก็คือมีจิตเมตตามีความหวังดีไว้อยู่ในใจเสมอนะและก็ข้อที่สแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมถ้าเป็นพระก็ให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมเน ไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวถ้าเป็นครวญที่าโยง เ, เมื่อได้ราบสักระหรือว่าได้เงินคำทรัพสมบัติโดยทางสุดจริตไม่ได้คดไม่ได้โกงไม่ได้ปน ไ, ได้จี้ใครมาเราได้มาโดยสุดจริตก็ควรจะแบ่งปันให้แก่เพื่อนร่วมชาติช่วยเหลือชุมชนสังคมยังไงทำถนนหนทางให้เขาสร้างโรงพยาบาลให้เขาสร้างโรงรําโรงเรียนให้เข า, เาให้เขา ต่างคนก็ต่างเสียสละต่อส่วนรวมต่อส่วนกลางอันนี้ก็ความสงบร่มเย็นเป็นสุกก็จะเกิดขึ้นข้อที่หรักษาศีลให้บริสุทธิ์เมื่อเราอยู่ชุมชนสังคมเราก็ควรจะมีกฎระเบียบทุกคนให้เคารพกฎระเบียบที่ตั้งเอาไว้แล้วคือการแต่งตั้งเอาไว้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วคือตั้งคือตั้งกฎระเบียบกันขึ้นมาแล้วก็ให้เคารพกฎระเบียบนั้น อย่าไปออกนอกลู่นอกทางถ้าออกนอกลู่นอกทางก็เห็นมาตัวเองเก่งกลา้าสามารถหลบปลีกเอาตัวรอดในแง่ของกฎหมายได้เพราะมีชั้นเชิงอย่างนีน้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองใจของเราเป็นยังไงบริสุทธิ์ไหมดํำไหมเอาละทธิเปรียบชุมชนสังคมไหมเอาละทธิเปรียบเพื่อนมนุษย์ไหมไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราอันนี้ก็คือ ให้รักษากฎระเบียบในชุมชนสังคมให้เสมอกับคนอื่นๆเขามีความเห็นร่วมกับคนอื่นๆไม่วิวาทกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันอันนี้ก็คนเรามันก็ต้องทิฐิคือความเห็นเนี่ยมันก็ต้องแตกแยกกันเป็นธรรมดาแต่ว่าเมื่อเราได้ศึกษาเมื่อเราได้ฟังได้ยินได้ฟังจาก ผู้ที่รู้แนะนําสั่งสอนแล้วเราก็ต้องยอมรับอย่าไปใช้ทิฐิคือความแข็งกระด้างมานะทิฐิมานะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างไม่ถูกเราก็ควรจะฟังเหตุฟังผลเมื่อเราได้ศึกษาดูแล้วเราก็ต้องฟังไม่ใช่ดันทุลังคนเดียวอันนี้ก็คือถ้าว่าพวกเรามีความเห็นร่วมกันแล้วมันจะทะเลาะกันได้ยังไง มันก็ต้องมีความปองดองกันได้เพราะว่ามีความเห็นไปแถบแนวแถวเดียวกันแต่มันก็ยากจุดนึ่งแต่ถึงจะยากก็ตามทุกคนก็ต้องฝึกฝนต้องทุกคนก็ต้องศึกษาทุกคนก็ต้องทําความเข้าใจทางว่าดันทุลังหันหนลังให้กันแล้วกันนะนะ่ะพูดไปคนละที่คนละทางนะนะั่นน่ะความหายยะ่าก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมอย่าไปคิดว่าตัวเองจะสะดวกสบายนะจะไปคิดว่าตัวเองจะมีความสุขนะในถ้าเป็นรักษาอย่างนั้น ต่างคนก็ต่างระวังพอพูดกันจบทะเลาะ ก, กันเสร็จเรียบร้อยกันต่างคนก็ต้องเข้าไปหามุมของใครของเราเถอะนี่เตรียมอาวุธจุดโทรปกรณ์เอางั้นเถอะเพื่อจะถล่มกันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไปแต่ถ้าว่าพวกเราหันหน้าเข้าหากันปรึกษาพารกันยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพอจบแล้วก็นัน่นกลับไปที่พักที่นอนของตัวเองก็ตกลงกันได้เห็นกันได้จะต้องแก้ไขอย่างนั้นอย่างนั้น ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่แหละทาของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดท่านพูดไว้หมดนะ่ะท่านบอกว่าทำผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันเป็นไปเพื่อความไม่วิวาดกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสารานี่จะทำต้องหกอย่างในเมื่อเรา เป็นผู้มีปัญญากว่าเขาเราก็ต้องแนะนําเขาให้ไปในทางที่ถูกต้องอย่างลุงพ่อว่าไงเอ็นจีองเอ NG จอเกิดขึ้นก็เป็นผลดีเป็นที่แนะนําคู่คนให้รู้จักเลือกเฟ้นว่าคนที่ด้อยกว่าต้องแนะนําให้เขาให้ถูกต้องแต่ว่าคนที่แนะนํานละต้องมีคุณธรรมอย่างมีสาราี่จะทำหกอย่างนย ตั้งเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนกันไม่ใช่ว่าเข้าไปอิจฉาเห็นเขาร่ํารวยเห็นเขานั้นแล้วก็ไปปลุกปั่นหมู่พวกเพื่อนเหมือนกระยุห ม, มาเนี่ยตัวเองเห็นหมาว่ามันโง่กว่าเนี่ยก็ไปแนะนําให้หมาไปกัดคนอื่นเขาเนี่ยแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงอตัวเองไม่เป็นธรรมในจิตใจอันนั้นไม่ถูกต้องอันนี้เราเป็นธรรมเป็นที่ถูกต้องเป็นธรรมในใจ เมื่อเราไปแนะนําหมาสอนหมาเออเวลากลางค่ำกลางคืนค น, คนมายองของโมวยให้มึงเข่าให้มืองกัดนะเอออันนี้เป็นธรรมเออพราะอะไรเพราะมันคนเข้ามาในบ้านของเรามันไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่าคนเดินทเทเลอรทล่ามาตัวเองไม่ชอบใจแอมไม่ชอบใจยุให้หมากัดเขาเนี่ยอันนี้ไปว่าความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นในในในคนแนะนำํำ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยากจะให้คนในชาติของเรามีเหตุผลในการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าพวกเราเอาแต่ทิฐิมานะเอาแต่ความเห็นของตัวเองกลุ่มของตัวเองคณะของตัวเองพักพวกของตนเองเข้าไปแล้วก็นั่นแหะความหายยนะก็จะเกิดขึ้นในชุมชนพวกนั้นก็มีกลุ่มพวกนั้นก็มีคณะพวกนั้นก็มีพี่มีน้องมีพักมีพวกผลที่สุดก็ถล่มกันเลยถล่มกันไปถล่มกันมา อะไรเป็นผู้แหลกลานแท้เประเทศชาติเป็นผู้แหลกลานไม่ใช่คนคนนั้นเป็นผู้แหลกลานประเทศชาติแหลกลานกันทั้งหมดแล้วคนทั้งชาติทุกจนกันไปทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะต่างประเทศเขาไม่ไม่ยื่นมือเข้ามาทํามาค้าขายด้วยเพราะเหตุไรเพราะคนในชาติทะเลาะเบาแว่งกันสิ่งเหล่านี้อยากจะให้คนในชาติช่วยช่วยกันคิดช่วยๆยกันพิจารณาช่วยชยกันปรับปรุงตัวเอง ไม่ใช่คนอื่นไกลแต่ตัวเองเหมือนกันนะอย่างหลวงพ่ออินเับหลวงพ่ออินจะต้องปรับปรุงตัวเองให้เป็นแนวแถวที่สารานี้จะทำที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ถ้าพวกเราทําอย่างนี้ได้หลวงพอนะ่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราสารานี้จะทำเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนกันมีการดูแลสารถูกสุขดิบการเก็บไข้ได้ป่วยการอดอยาก อย่างนี้เป็นต้นเข้าไปตั้งวิจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนกันคนในชาติแนะนําสั่งสอนอยังไงจึงจะเข้าเข้าใจได้เข้าไปตั้งมนโนกรรมคือตั้งใจเข้าใจเข้าไปวัดเลยเอาใจเข้าไปคิดเลยจะทํายังไงคิดยังไงใจในใจคิดยังไงที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ชาติให้สงบร่มเย็นเป็นสุขและก็รักษาศีลหรือรักษากฎระเบียบให้ช่วยกันรักษากฎระเบียบที่ตั้งขึ้นมาไว้แล้ว กฎหมายรัฐธรรมนูนที่เราตั้งขึ้นมาไว้แล้วนะให้ต่างคนต่างเคารพถ้าต่างคนต่างว่าตัวเองเก่งกลบกฎหมายได้นั่นแหละคนนั้นกลบคนนี้กลบต่างคนต่างหลบกฎหมายกันเลยไร้คุณค่าไร้ประโยชน์ตั้งขึ้นมาเหมือนกับวาดเสือให้วัวกลัวอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่เสือที่แท้จริงเย่าง น, นั้นแต่ตามไม่จริงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อมีกฎขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเคารพอันนี้เพราะว่า รักษาศีลหรือว่รักษากฎหมายร่วมกันแล้วก็มีความเห็นทิฐิคือความเห็นเนี่ยให้เสมอภาคกันมีความเห็นให้ตรงกันพยายามแนะนําพัฒน์สอนกันให้มีความเห็นตรงกันให้มีความเห็นไปแนวแถวเดียวกันเรารับประชาธิปไตยหรือเรารักแบบไหนเรารักเผด็จการใช่ไหมไม่ใช่เราลักประชาธิปไตยใช่ไหมใช่ประชาธิปไตยทํำยังไง เราก็ต้องศึกษาศึกษาประชาธิปไตยอประชาธิปไ ต, ย, ปปตยนะั้นไม่เอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมเอาคนส่วนใหญ่พูดใช่ไหมความเห็นถูกต้องตามกฎรัฐธรรมนูญใช่ไหมเราเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมเอแต่ถ้าว่าใครก็ตามไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างเนี้ยเราก็รู้ว่าคนนี้ผิดแล้วนะอคนในชาติก็ต้องช่วยกันประนามถ้าจะให้ถูกต้องนะ ตอนนี้แวกแนวแล้วถ้าเท่าทุกคนรักษากฎรัชธรรมนูนด้วยกฎหมายบ้านเมืองหลวงพ่อว่าความสงบร่มเย็นเป็นจุกก็จะเกิดขึ้นอันนี้ถ้าว่าใครทำผิดพวกเราก็เสริมกันอีกใครมาว่าจ้างเอาหมดแล้วก็ให้สิทธิ์เขาส่งเสริมมาตั้งแต่เด็กนักเรียนครูบาอาจารย์พ่อแม่นักเรียนใจะจะเป็นหัวหน้าชันพ่อแม่ก็นแนะนำอยากจะให้ลูกเป็นหัวหน้า ชั้นเอาเด็กจะให้เด็กจะเป็นหัวหน้าชั้นก็จะไปยากอะไรเอาทอฟฟี่เอาขนมไปเอาสมุดตีนสอไปแจกเพื่อนสิให้เขาลงคะแนนให้เดี๋ยวก็ได้เป็นแหละนะมันแนะนํากันมาตั้งแต่สมัยเด็กนักเรียนเออมันเป็นอย่า ง, งานั้นพราะนั้นมันปลูกฝังคอรับชั้นปลูกฝังนิสัยทางไม่ดีเออมาจากโรงรําโรงเรียนอีกต่างหากอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์ดรว่าพวกเราทุกๆ ท่านนั่นนะ่ะให้ช่วยกันคิดจุดนี้หลวงพ่อว่านะหลวงพ่อว่าเนี่ยนะผลงพ่อได้ยินสิ่งไหนมาก็ตามหลวงพอนะ่อในํามาคิดนะทบทวนแต่หลวงพ่อหนักใจไหมไม่หลวงพ่อไม่หนักใจถือว่าเป็นธรรมชาติตรงนั้นะะธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของโลกธรรมชาติการเป็นอยู่เมื่อเราตายไปแล้วก็ธรรมชาติมันก็ยังอยู่อย่างนี้เมื่อเราไม่มาเกิดธรรมชาตินี่ก็มีอยู่แล้วเอแต่หลวงพ่อพูดผมพ่อไม่ได้หนักใจพูดให้พวกเราได้คิด ในยุคของเราในพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ธรรมชาติให้ถูกต้องให้เป็นธรรมธรรมชาติที่ผิดก็มีธรรมชาติที่ถูกก็มีธรรมชาติที่โง่ก็มีธรรมชาติที่ฉลาดก็มีธรรมชาติของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงธรรมชาติของพระอรหันต์เป็นยังไงธรรมชาติของปุถุชนเป็นยังไงธรรมชาติของกิเลสเป็นยังไงมมนเป็นธรรมชาติของรายของใครของเราทางนั้นเพราะนั้นเราจะทํำยังไงจะให้เป็นธรรมชาติที่ดีอย่าไปให้เป็นธรรมชาติที่ ที่ชั่วให้เป็นธรรมชาติที่โง่ให้เป็นธรรมชาติที่ฉลาดนในโลกนั้นมันเป็นธรรมชาติของใครของเรามันมีอยู่ตั้งแต่เราไม่เกิดนะั่นะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะะวันนี้ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราที่เป็นชาวพุทธพธรรมะมกะพุทธรบริษัทที่เป็นพวกเราเป็นสาวกเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าควรจะนำธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดมาเผยแผ่ มาแนะนํามาเพื่อให้พวกเราได้ยินได้ฟังนะแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาหลวงพ่อพูดไว้อยู่เสมอว่าหลวงพ่อพูดอะไรอย่าเชื่อนะให้ไปไตรตรองด้วยเหตุผลซะก่อนอยังค่อยเชื่อถ้างว่าหลวงพ่อพูดอะไรไปเชื่อหมดไม่ได้หลูกพ่อไม่ไม่ต้องการได้ลูกศิษย์งโ ง, โงๆอย่งั้นแต่ต้องคิดกรองซะก่อนแล้วยังค่อยยอมรับทางว่าไม่กรองซะก่อนเชื่อหมดไม่ได้ไม่เอาหลวงพ่อก็งง ดูแล้วได้ลูกศิษย์มาลูกศิษย์ก็โง่อีกไพูดได้ยินได้ฟังก็เชื่อไปหมดโง่ไปอีกเพราะนั้นต้องไตร่ตรองด้วยเหตุผลซะก่อนแต่ว่าธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวนั้นนั่นแหะเป็นบรรทัดฐานเป็นสวากขาตธรรมพระพพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วอันนั้นต้องฟังเอาไว้นะต้องฟังเอาไว้ยกให้เหนือหัวเอาไว้พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่แนวความคิดของลุงพ่อบางสิ่งบางอย่างพวกเราต้องไตรตรองอีกครั้งหนึ่งนะถึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ต้องไตรตรองด้วย uh เหตุผลอนะตอนนี้ไปรับพรอนุอนมโมทนาให้พร